ทันใครที่เรียนชาดกอ่านชาดกเป็นต้นก็จะได้จับเข้าในส่วนว่าเออนี่ในส่วนพระปุพพจริยาคุณนะอย่านีะก็จะเข้าใจทราบซึ้งในพระคุณของพระองค์ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ในส่วนของพระสรีระคุณถ้าหากว่าศึกษาจากหลายๆสถานที่หลายๆแห่งเราก็จะเข้าใจทราบซึ้งยิ่งยิ่งขึ้นในพระอ่าส리 ร, ระคุณและกรรมเหล่าใดาบุญเหล่าใดา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 กิจเหล่านั้นพระองค์ได้ทํำหมดแล้วเนี่ยนะอย่างเช่นกิจเกี่ยวกับเรื่องพระาธาตุทั้งหลายพระองค์ก็ได้ทําแล้วกิจในด้านการพระธรรมในการช่วยเหลือพระธรรมบุคคลเหล่าวใดที่จะเกื้อกูลต่อพระธรรมพระองค์ก็วางเอาไว้เสร็จสิ้นแล้วมั น, นลหลายๆอย่างเนี่ยกิจทั้งมวลของพระองค์เนี่ยทำด้วยดีแล้วเปรียบเหมือนอย่างว่าดวงอาทิตย์ที่ทํากิจสองสว่าง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 ต, ต่อไปนั้นพระองค์นั้นจึงทําทุกอย่างเพื่อเพื่อที่จะให้สัตว์ทั้งหลายได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นด้านพระธรรมคําคสอนที่เป็นผลผลิตจากการแสดงธรรมของพระองค์ออกไปนะแล้วก็ในส่วนของร่างกายของพระองค์ส่วนใดที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลแก่สัตว์พระองค์ก็ทําสิ่งนั้นเป็นประโยชน์เพื่อกูลต่อสรรพสัตว์เกเส้นเกสาเส้นผมทุกเส้นของพระองค์ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลต่อ สรพพสัตทั้งหลายแม้แต่เส้นผมตอนที่ออกบวชก็ยังเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่สัตว์ทั้งหลายผ้านุ่งห่มวันออกบวชก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลต่อสัตว์ทั้งหลายอัดถบริการข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างที่พระองค์ใช้ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลต่อสัรพะสัตทั้งหลายการเยื้องไกลการยืนการเดินการ <ๆ S 2> ๆๆ น, านั่งการนอนของพระองค์ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลต่อ สรพสรพ ส, รพ même, ส, ร ส, รสรัตว์ทั้งหลายกายกรรมทั้งมวลของพระองค์ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลต่อสรรพสัตว์วัชีกรรมตลอดจนถึงมโนกรรมของพระองค์ทุกอย่างเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลต่อสรรพสัตว์ทั้งสิ้นหมดเลยแล้วก็โดยที่สุดแม้แต่สรีระเนี่ยนะอย่างที่กล่าวว่าเกษาทุกเส้นของพระองค์ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขต่อสัตว์โลมาเส้นขนทั้งหลายของพระองค์ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลต่อสรรพสัตว์เนี่ยนะ แล้วก็พระทันตะฟันทั้งหลายก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกลูลต่อสรัพสัตเนี่ยนะอัติธาต์เนี่ยนะอัติทั้งหลายกระดูกทั้งหมดทุกส่วนของร่างกายของพระองค์ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกลูลต่อสรพสัตกระดูกเหล่าน <sy> ั้นถึงจะเล็กน้อยเนี่ยนะเล็กน้อยเท่าปลายอ่าคำว่าเท่าเมล็ดผุ่์ผักกาดกระดูกเหล่านั้นก็ยังเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ขอแก่สรพสัตทั้งหลาย หรือแม้กระทั่งว่ายาว่าถึงอย่างนั้นเลยทนานที่ตวงพระธาตุก็ยังเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัตว์ทั้งหลายอังคารขี้เท่าอย่างนั้นอนะ่ะขี้เท่าที่ประชุมพระเพลิงก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเพื่อกูลต่อสัพพะสัตว์ทั้งหลายขณะเดียวกันรวมถึงสถานที่ทั้งหลายทั้งปวงสถานที่ที่พระองค์บำเพ็ญพุทธกิจที่พระองค์สถานที่ที่พระองค์ตรัสรู้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 ประโยชน์เกื้ อ, ก, อกูลแม้กระทั่งรอยเท้ารอยพระพุทธบาทเนี่ยนะก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สรัพรพะสัตทั้งหลายการอาบน้ําล้างหนะ้าแปรงฟันสรุปว่าทุกเรื่องพฤติกรรมทุกอย่างสรีระในส่วนต่างๆของพระองค์นั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ศักแก่สรัพรพะสัตทั้งหลายจริงๆเนี่ยนะสำหรับผู้ที่มีบุญวาสนาสั่งสมอัธยาศัยที่จะเข้าใจพระพุทธคุณที่จะมีศรัทธาในพระพุทธเจ้า เพื่อที่จะได้รับเอาพระธรรมคําสอนเนี่ยนะซึ่งคําสอนอ น, นั้นเนี่ยเป็นคําสอนเรื่องศีลาผู้ที่รับจากพระพุทธเจ้าก็จะได้ศีลพระพุทธเจ้าสอนโพธิปักจิกยธรรมผู้ที่ฟังเขาก็เจริญโพธิปักกิยธรรมได้บุคคลเหล่านั้นก็ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากพระรัตนมตรายจากพระพุทธเจ้า <S <s เมื่อประโยชน์เหล่านี้เนี่ยนะที่เขาได้รับประโยชน์เหล่านี้แหละ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 ภษาริบท์ได้กล่าวไว้ที่ในข้อความในมิลินทปัญหาพระนาคเษนเอามากล่าวว่าเอโกโมโนปสาโทสนะคามะณมัญชลิปนามโมวาอุสหเตตรยตุงมาระพละนิสุทเนพัฒพุเทแปลว่าความเลื่อมใสแห่งใจก็ดีการถึงพระองค์ว่าเป็นสรณะก็ดีการน้อมอัญชลีไปก็ดีแม้แต่อย่างเดียว สอย่างนี้อย่างไหนก็ได้ในพระพุทธเจ้าผู้ทําลายกําลังมารได้แล้วผู้ทําลายกิเลสมารมั จ, จุมารขันธมารอภิสังขารมารเป็นต้นนะถ้าทำละผู้ที่เลื่อมใสแห่งใจต่อพระพุทธเจ้าผู้ชนะมารผู้ทําลายมารผู้ที่สามารถะนะความเลื่อมใสอ น, นั้นเนี่ยสามารถอย่างผู้นั้นให้ข้ามพ้นจากพบกันดานได้ความเลื่อมใสยอย่างเดียวนะช่วยให้เขาพ้นจากพบได้ เช่นมัตตกุณดลีเทพบุตรเนี่ยนะอดีตชาติท่านก็เลื่อมใสในพระรูปของพระพุทธเจ้าก็ยังไปสุคติโลกสวรรค์มันดุกะเทพบุตรก็ฟังเสียงของพระองค์ก็ไปสุคติโลกสวรรค์ทั้งมัตตุณลีและมันดุกะเทพบุตรทั้งคู่ตอนหลังก็เป็นพระโสดาบัน น, นะปัจจุบันนี้ไม่ทราบ ว, ว่าเป็นพระอริยะชั้นสูงไปแล้วหรือยอย่างแต่ว่าเป็นผู้แน่นอนที่จะตรัสรู้ต่อไปในอนาคตแน่นอน